ดีขึ้นแล้วละนะใช้ได้แลฝึกไปเรื่อยๆใชมันมีพลังมันตั้งมั่นขึ้นมาได้แนะแต่มันเสื่อมง่ายนะเดี๋ยวออกไปยุ่งกับโลกมากๆมันก็เสื่อมนะอีกงั้นมีวินัยมีวิในัยในตัวเองปฏิบัติทุกวันทุกวันนะค่อยๆสะสมไป จิตไม่อยู่ในฐานจิตยังอยู่นอกอย่างขณะเนี้ยจิตกระจายกว้างๆอยู่นอกนะอย่าดึงจิตนะเฉยๆแล้วหายใจไปหายใจอย่าดึงจิตนะหายใจเรื่อยๆหายใจแล้วรู้สึกไปเนี่ยตัวเนี้ยถึงจะเข้าฐ า, านไม่เหมือนกันดออกไหมเมื่อกี้ออกข้างนอก พอมันเข้าฐานจิตนก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเนี่ยรู้สึกไหมมันเบิกบานตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เราจงใจรักษาตัวผู้รู้ไว้ก็ผิดอีกแล้วหลงเอาไปก็ผิดเป็นจิตอุ้งซ่านรักษาเอาไว้เป็นจิตที่ถูกบังคับเป็นอัตตะกิริมาฐานวิโยกเังนันจิตรู้ที่ถูกต้องเนี่ย แค่เรารู้ทันว่าจิตออกนอกนะรู้สึกไปหายใจไปสบายๆอย่าไปดึงจิตมันจะเข้าฐานเองเข้าฐานแล้วก็อย่ารักษาถ้ากลัวมันจะออกจากฐานพยายามรักษามันจะเป็นจิตเพ่งที่แรกเป็นจิตเหลือพอรู้ว่าหลงออกไปกลับเข้ามาแล้วก็รักษาเป็นจิตเพ่งไม่ดีตอนนี้ไม่เลิกเพ่งเลยแน่น วิธีดูว่าเราเพ่งหรือเปล่าโดยที่จิตถ้าจิตมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อแสดงว่าเพ่งถ้าจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นก็ถูกละแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ถูกตลอดเวลาเราก็จะเห็นจิตเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เพ่ง ทั้งสามสภาวะเนี้ยหมุนเวียนไปเกิดดับไปเรื่อยๆนั่นไม่ใช่เพื่อจะมีจิตผู้รู้ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเราปฏิบัติให้เห็นนะจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งไว้ก็ไม่เที่ยงแต่จิตเพ่งนะถ้าเป็นนักเพ่งมืออาชีพนะดูเหมือนเที่ยงเป็นพวกฤๅษีชีพลอะไรพวกนี้ เขาจะเห็นจิตเป็นอัตตารู้สึกจิตเป็นของบังคับได้ก็ไปเข้าฌานก็บังคับได้เพ่งไว้ตอนนี้เป็นจิตหลงคิดรู้ไหมอ้มอาวคนต่อมาอะไรนะอือก็ยังเพ่งอยู่นะขณะ น, นี้ใจทื่อๆ อ, อยู่มันตื่นเต้นใช่ไหม ตรงที่หลวงพ่อบอกมันตื่นเต้นานะจมย์คลายออกวูบหนึ่งตรงนี้คลายกว่าตะกีแล้วรู้สึกไหมเริ่มกลับมาเพ่งอีกแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้เรียกว่าจิตเพ่งนะไปบังคับมันให้นิ่งๆเมื่อไรมีการแทรกแซงจิตเมื่อนั้นเพง่งเมื่อไรไม่รู้ทันจิตเมื่อนั้นเผลอ เนี่ยตอนนี้แทรกแซงจิตดูออกเปล่าไปบังคับมันให้มันอยู่เฉยๆค่อยๆแสงเกตไปเอาจินหนูโมหะเยอะนะมันจะดูยากนิดนึงอย่างขนาดเนี้ยมันฟู้งซ่านดวกไหมรวยไปอ่ะรวย ค่อยๆดูสภาวะไปดูสามัถมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันเฉยๆก็รู้ดูสามัญเนี้ยมันเวียนอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆอย่าให้เหลืออันใดอันหนึ่งนะให้มันมีสามัญผุงจริงเนียจิตซึมแล้วเหมือนพวกโมหะนะ เสื่องซึมกับฟุ้งซ่านมีสองตัวแทนที่จะให้ฟุ้งซ่านก็คอยรู้ทันเวทนาในใจเรามันสุขมันทุกข์มันเฉยเลยคอยรู้ทันมันแค่รู้เฉยๆไม่แทรกแซงมัถ้าเรามีของง้อยรู้ไ้่เห็นนี้ใจก็จะไม่เสื่องซึมแล้วก็มีของให้รู้ให้เห็นเนี่ย จะไม่ฟุ้งนานเกินไปงั้นทำกรรมฐานคอยรู้รู้อะไรที่หลวงพ่อบอกเออถ้าเฉยๆต่อเนื่งองยาวนานแสดงว่าเพ่งนิ่งหลวงพ่อจูนจิตให้เท่ากับหนูแล้วดูออกมาก <c oughs> เออต้องอย่างนี้นะถึงใช้ได้ระวังอย่าให้ซึมกันแล้วกันบริกรรมพุทธโธนะบางทีซึมไปเลยอาเันชิด คิดเรื่องชีวิตเราทุกอย่างในชีวิตเราเจอกันประเดียวเดียวก็สลายไปหมดความรักความเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างมันชอบคิดก็พามันคิดไปเลยแต่คิดแล้วลงใจรักให้ได้คนอื่นก็จำไว้นะถ้าจิตมันอยากคิดดิ้นรนจะคิดจะไปฝืนมันฝืนไม่ได้พามันคิดเลยไอคิดแล้วลงใจรักให้ได้ก็แล้วกัน ครบาอจารย์องค์แรกของหลวงพ่อคือท่านพอ่อหลีท่านพ่อลีนะลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นตอนท่านหนุ่มๆ น, นะท่านก็อยากศึกเหมือนกันนี่ท่านก็ขึ้นไปนั่งบนเจดีย์ที่วัดสัพพทุ ม, มไปนั่งบนเจดีย์จิตมันก็ยากคิดแต่จะศึกนะท่านก็พามันคิดเลยศึกเลยไม่ทําอะไรย สึกแล้วมีเพื่อนอยู่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งจให้เพื่อนฝากงานไปอยู่ที่โรงพิมพ์เนี้ยนะแล้วชิดปุงไปเรื่อยๆนะพอไปทำงานแล้วจะขยันมากๆเลยตั้งอกตั้งใจทำงานเท่าแก่ก็จะชอบนะแล้วเลื่อนเงินเดือนให้ทำมาทำความดีมากๆนะั้นเลยได้ลูกสาวเท่าแก่เป็นเมียนะ พอมีเมียแล้วก็ขยันทามาหากินอย่างเดิมแหละก็รวยขึ้นอีกขยายกิจการก็มีลูกมีลูกหลายๆคนเดี๋ยวลูกก็ร้องมองแง่เดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เริ่มบุ่นมายเมียก็เจ็บป่วยใจมันทุกขคิดไปเรื่อยเมียก็เจ็บป่วยบ้านช่องชักวุ่นวาย ธุรกิจก็เริ่มดูแลไม่ไหวขยายเยอะไปทํำท่าจะเจ๊งละสุดท้ายก็คิดไปเรื่อยๆนะคิดลูกก็ตายเมียก็หนีอะไรเงี้ยจําไม่ได้แล้ะหลายที่เหยียดที่ท่านคิดคิดคิดแล้วสุดท้ายท่านก็บอกเหลือตัวคนเดียวแล้วทรัพย์สินครอบครัวไม่เหลือแล้วทําไงดีว่าไปบวชสิ พอคิดวนม น, นะไปอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกนานคิดหลงเว้นสุดท้ายมันได้ข้อสรุปว่าไปบวชสิตกใจเฮ้ยตอนนี้บวชอยู่แล้วนะ<ม>เนี่ยมันพามปคิดห่อไคิดแล้วลงใจรักให้ได้คล้ายๆเรื่องที่หลวงพ่อเคยเล่าว่ามีนักวิชาการด้านการลงทุนฝรั่ง มันรวยมากเลยมันชิดอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะแล้วนก็เลยพักร้อนไปอยู่หมู่บ้านประมงริมทะเลนอนเช้าเชาก็าไปนอนเดินเล่นไปอาบแดดไปเดินเล่นไปมีความสุขพักผ่อนอยู่ริมทะเลแล้วนก็เริ่มสังเกตเห็นนะัไม่มีชาวประมงคนหนึ่งนะ มันออกเรือนะแป๊บเดียวมันก็กลับเข้ามาแนละได้ปลาสองตัวสามตัวพอใจแนละ้วปลาสองสามตัวไปขายนะจีนบ้างขายบ้างนะแล้ววันทั้งวนนะันก็นอนเล่นอยู่ริมทะเลเดินไปเดินมามีความสุขไอ้นางพิชาการเนี่ยทนไม่ได้เรียกตัวมาบอกปกติใครจะมาขอคำปรึกษามันเนี้ยต้องจ่ายเยอะนะแต่นี้มันสงสาร ไม่คิดเงินจะสอนให้ฟรีบอกขั้นแรกเลยเนี่ยจับปลาให้เยอะขึ้นเพิ่มชั่วโมงการจับปลานะจับปลาได้เยอะอยคนนี้มันก็ถามชาวประมงว่าถามเลนะ้จับปลาเยอะไปทําอะไรไปขายสิจะได้เงินนะได้เงินแล้วไปทําอะไ ร, ไ, ะ ไ, รได้เงินแล้วก็ไปซื้อเรือจับปลาลําใหญ่กว่านี้นะไปจับออกทะเลได้ไกลๆ ก, ลกลว่านี้ก็จะได้ปลามากขึ้น รวยขึ้นบอกรวยแล้วทำไงอีกนะต่อไปก็ซื้อเรือเพิ่มนะจ้างคนมาทำนะเป็นเท่าแก่แล้วไม่ต้องออกเรือเองคอยควบคุมกิจการมีเรือให้ลูกน้องออกไปหาปลาหลายๆลาำอไอ้คนชาวประมงมันก็ถามนะทำไปเพื่ออะไร่ะจะได้รวยไงรวยมากๆนะ พอแก่เนี่ยจะได้สบายไม่ต้องทำงานมีเวลามานอนเล่นอยู่ริมทะเลแชะประมงมองหน้านะลุกขึ้นยืนเลยไม่ฟังแล้วบอกไอ้บ้าตอนเนี้ยกูพักผ่อนอยู่แล้วไม่จะหลอกให้ทำงานจนแก่เวลาเรารู้จักคิดนะทีใจมันวางรู้จักการคิดก็เป็นศิล ป, ปะ ชนิดหนึ่งนะการคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายลงไปให้เห็นอันไหนมีสาระอันไหนไม่มีสาระนี่คชาประมงนี้มันมีสาระมันคิดว่าชีวิตต้องการอะไรต้องการความสงบความสุขคนเราแค่พออยู่พอกินมันก็มีความสุขได้ละไม่ใช่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตนะเพื่อวันหนึ่งจะได้กลับมามีความสุข อ้อมไปบางทีตายซะก่อนไม่ได้มีความสุขเอาไม่ได้อยู่ มันอยากดีมันก็เพง่งถ้าไม่เพ่งก็ฟุ้งมีสอ ง, งนันรู้สึกไหมพื้นจิตของเราตะกูลโมหะเหมือนกันแต่คนละแบบนี่ตะกูลโมหะชนิดเสื่องสืบของเราชนิดฟุง้นะงซ่านนนเพราะมันฟุ้งมากเวลาเราทำกรรมฐานเราก็ต้องเพ่งแรงๆเรากลัวมันฟุง้งจาเคลียร์ยนแน่นอนนะ แต่ไปก็สังเกตเอาใช้ความสังเกตเอาจิตฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรือว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรว่าฟุ้งซ่านคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้มุ่งให้สงบไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้ ม, ม, ดมดุ่มมงเอาสุขมุ่งให้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยฟุ้งอีกแล้ว รู้ไหมอย่างนี้เรียกว่าฝง่นใจมันเตลิดอย่างนี้รู้ทันเอาอไปสังเกต อ, อกส่งกับบ้านจิตเดียวนี้ก็บตะกอนต่างกันดูออกไหมมันเริ่มเป็นนะนะภาวนาฮะ นั่นแหละภาวนาเริ่มเป็นแล้วละใช้ได้คนที่เราเรียนด้วยก่อนๆใช้ไม่ได้นะมันเป็นมิจฉาสมาธิหลวพ่อไม่ได้ให้เข้ามาสอนเราเข้ามาเองนะเราก็ไม่อยากหดร้ายไล่ไปแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวให้พาคนเสียไปไปก็แค้นนะ่ะ โกรธเราหาเรื่องจองาเรื่องจะเล่นงานโจมตีนม่ไม่ได้เรื่องเสียเวลาจิเลศมองไม่เห็นครูบาอาจารย์สอนแล้วทนไม่ได้เราภาวนาดีขึ้นละภาวนานดีเราไม่ต้องถามฟุ้งซ่านไม่มีอย่างอื่นเลยนะ ถามมันก็จะคิดคาถามไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้คำตอบเพื่ อ, อไปคิดต่ออีกดูลงปัจจุบันหลงไปแนละ้วรู้สึกไหมตอนนี้มีการแทรกแซงจิตแล้วรู้สึกไหมเราแทรกแซงเราบังคับให้นิ่งตัวนี้เพ่งแล้วนะแค่นี้ก็เพ่งแล้วนะไม่ต้องถามฝุงซ่านให้รู้ว่าใจฝุงซ่านพวก โมหะฟุงสานเนี่ยหลวงพ่อไม่ค่อยให้ถามนะกับพวกขี้อ่อนพวกขี้อ่อนน่ยไม่เอาต้องฝึกให้เข้มแข็งสงสัยรู้ว่าสงสัยจบกล้ากล้าหน่อยนึงบางทีการให้ถามเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณการถามกรรมฐ า, านเมื่อถามแล้วก็เอาไปคิดต่อคิดอีกก็สงสัยใหม่มาถามอีก ก็วนหลุบนะของความฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆสงสัยรูว่าสงสัยจบแล้วนะนี่จะตัดหลวบของความฟุ้งซ่านที่คิดปลุงไปเรื่อยๆขาเป็นไรไปนะเหรอไม่ต้องไปหาหมอไปปะอ๋อแก่แล้ว นั่นรุ่นรุ่นน้องหลวงพ่อเพราะว่าเป็นุ่นศิษย์หลวงพูดูลนะแต่เป็นรุ่นเล็กเลยรุ่นจิ๋วที่สุดเลยอสองกันบ้านจิตเป็นไง ม, มันดีขึ้นนะ แต่ใจมันยังเพลินเพลินมันชอบเพลินนะถ้าเราเพลินมีความสุขไปมันเป็นจิตมีราคะงนั้นใจมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขถ้าใจมีความสุขแล้วไม่รู้ก็จะเพล่อเพลินไปเป็นกิเลส ต, ตัวหนึ่งนะชื่อนันธิราคะนันธิราคะภาษ า, าจี น, นแปลว่าไงนันธิราคะเพิดเพล่อเพลิน ไปดูตัวเนี้ยของเรามีเยอะคนจีนผู้หญิงเยเสื้อสีเขียวอ่อนออ น, นะนะแถวที่สามนนที่ใส่แว่นตานะไม่ไม่ต้องนั่งไม่ต้องอยู่ที่เดิมนะอย่ารู้สึกตัวอย่าเพ่งอย่าบังคับตัวเองบังคับแรงไปนะผู้หญิงนี้ก็ดีขึ้นเยอะแนละ้วแถวคนที่แถวที่สาม ค่อยดีขึ้นแล้วล่ะถ้าใจฟุ้งส้านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไปอ่รู้สึกตัวสบายๆให้เป็นธรรมชาติ่รู้สึกไปที่ใส่แบนนั่งริมอย่าไปเพ่งไหมยังเพ่งอยู่อย่ากแก้ไม่ต้องหาทางแก้เพ่งรู้ว่าเพ่งก็จบตรงนั้นเลย ติดลงแล้วหลงถล่มลงไปแล้วเมื่อกี้เนี้หลวงพ่อนี่ท่านหลงไปชิดแล้วท่านภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะคนผู้ชาย ภาวนาก็ใช้ได้นะแต่มันยังบังคับใจอยู่หน่อยหนึ่งบังคับไปนิดหนึ่งนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปแล้วมีสติรู้นะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรให้มันทำงานไปตามธรรมชาติ ม, มีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมาก็คอยรู้เอาอย่านะยบังคับจิตให้นิ่งให้เฉย ปล่อยให้ทำงานนะที่ฝึกดีนะใช้ได้ดีขึ้นมากแนละ้วมีบางคนรอให้หลวงพ่อเรียกนะหลวงพ่อเลกแกล้งํำเป็นผ่านไปผ่านมา <c oughs> ให้คยดูใจใจอยากใจอยากคุยกับหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะรู้ทันไปนะ <c oughs> คนที่ถือไม่ไผ่ <c oughs> ใจมันเครียดไปเมื่อกี้นี้มันมันมีโทสะเล็กๆแทรกเข้ามามันหงุดหงิดเล็กๆอย่าอย่าไปแก้ไม่ต้องไปทำให้ดีไม่ต้องใจเราตอนนี้ใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ไปธรมธรมดาธรรมดาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ ปรกโยู่ดีค่อยๆดูมันจะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกิเลสเวลาละเอียดดูยากน ะ, ะมันจะมันจดูไม่ออกว่าเป็นกิเลสในใจเรามีความหงุดหงนะิดเนี่ยมันเล็กมากจนเรามองไม่เห็นนะอาหันหันไปทางโน้นไป